มาจัดที่นี่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ที่วัฒนาวิลเลจ ท, ที่แม่สอดเนะะี่ยค่ะหนึ่งครั้งก็เข้ามาสองคอร์สแล้วแล้วก็สําหรับแนวนี้เก๋ไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็เคยเคยแต่อ่านอ่านแต่หนังสือธรรมะมาแล้วก็ลองทําเองที่บ้านนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าว่าถูกหรือผิดยังไงก็เลยเลยตั้งใจมามาศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ที่นี่นะคะ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ที่อ่านอ่านหนังสือมาเยอะแนวหลวงปู่ดูลหรือการดูจิตของหลวงพ่อปาะโมเนี่ยเกก็อ่านมาพอพอสมควรก็ก็จะลองปฏิบัติเองก็ส่วนปัญหาและอุปสรรคนะคะคือสองวันแรกเนี่ยเกดจะมีอาการปวดหัว แล้วก็มวนท้องเสีย er, แล้วก็มีอาการเหมือนคลื่นไส้จอาเจียนทั้งเดินทั้งนั่งเลยค่ะ <s in> <background> ก็มาเรียนถามหลวงพ่อว่าเกิดจากอะไรหลวงพ่อท่าน ก, ก็ตามที่เกตคิดเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราเปลี่ยนแนวจากการกำหนดเนี่ยมาทำความรู้สึกตัวและสองก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยจะต้อง <laughs> ดื่มกาแฟทุกเชา้าแล้วก็ม า, มาปฏิบัติที่เนี่ยเขาจะไม่ให้มีการดื่มน้าชากาแฟอะไร ซึ่งเกศก็ไม่ได้ดื่มตลอดคอร์สเนี่ยไม่เคยได้ดื่มเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีด้วยก็จะรู้สึกว่าก็ลําบากช่วงวันสองวันแรกอะคะ่ะแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าหลวงพ่อให้ออกกําลังกายอาจจะเป็นหนักกับร่างกายเราหรือเปล่าก็ทําให้ให้มีอาการนี้แต่ว่าช่วงวันสองวันแรกเนี่ยพอนั่งปฏิบัติไปปึ๊บจะมีความรู้สึกว่ามันทําไม่ค่อยได้ นั่งก็จะเป็นขื้นไส้วิงเวียนยืนก็จะเป็นเดินอะไรก็จะเป็นขื้นไ้วิงเวียนก็มีความรู้สึกว่ามักจะหยุดตลอดเวลาแล้วก็กำหนดกำหนดตามแนวตัวเองคือปวดหนอซึ่ง เ, เกตทําตามแนวของเกตเนี่ยไม่รู้ท่านอื่นเป็นยังไงนะคะถ้ากําหนดปวดหนอบุบปวดหายเวียนหนอก็คือกําหนดอาการอะไรของเกตเนี่ยอาการจะดับไปเพราะฉะนั้นพอเกตรู้สึกมีเวทนาหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายปุ๊บ จะใช้วิธีการของตัวเองทันทีซึ่งพอแต่ปัญหาเรื่องการกำหนดการง่วงเนี่ยเกดไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเกดใช้หน่อมากำหนดเรื่องง่วงเนี่ยมามาพอสมควรเพราะฉะนั้นพอเริ่มใกล้จะง่วงเราจะมีความรู้สึกเห็นเหมือนเหมือนก่อนฝนจะตกเนี่ยเราจะเห็นเป็นเป็นความมืดเมฆฝนตั้งเขาใช่ไหมคะไอ้ความง่วงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือเราเราจะมีสรรัญญาณบอกเรา่อนคือมันจะเพลิน เก๋จะรู้ตัวตั้งแต่ตอนเพลินแล้วก็คือจะไม่ง่วงพอเพลินปุ๊บติดมันจะร้องว่าง่วงหนอปุ๊บมันก็ปึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่ช่วงที่เก๋เคยปฏิบัติตอนแรกสายหนอเนี่ยช่องว่างระหว่างความความง่วงกับความไม่ง่วงเนี่ยมันมันใกล้กันมากบางทีง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอบ่อยมากตื่นขึ้นมาก็ปุ๊บลงไปอีกก็ง่วงหนอง่วงหนอจนพอหมดชั่วโมงจะรู้สึกว่าคอเนี่ย มันมันมันตึงมากเพราะว่าเรากำหนดง่วงหน่อบเยอะมากคือเก็ไม่ชอบปล่อยอะไรให้ผ่านเลยก็พอระยะหลังมาสังเกตปุ๊บพอง่วงหนอ่อปึ้งมันก็จะตื่นช่วงเวลาที่ตื่นเนี่ยนานก็ถ้าเราไม่ไม่หลงเพลินไปอีกมันก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความง่วงเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าพอมากําหนดแนวนี้ปุ๊บเป็นการเคลื่อนไหวสร้างสติขึ้นมาเนี่ย มันไม่มีตัวกําหนดเก๋ก็จะติดตัวว่าพอง่วงมันก็ง่วงเนอมันก็จะปึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่โชคดีว่าเป็นเป็นคนที่เคยปฏิบัติแนวะดูจิตมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ดูจิต ด, ดูใจเรารู้ว่าเราจะต้องเพิกคําบริกรรมตรงนี้ไปเก๋ก็พยายามอยู่กับการเคลื่อนไหวให้มากแล้วพอวันที่สามปุ๊บเก๋นั่งสร้างจางังหวะอยู่ริมน้ําำมีความคิดอันหนึ่งผุดขึ้นมา ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เพราะจะใส่นาฬิกาแล้วเป็นคนที่ที่เป็นคนไม่ค่อยมีปัญห า, หารเรื่องการนั่งนานหรือเดินนานเพราะว่าสายเกศเนี่ยนั่งและเดินนั่งและเดิ น, ออดนจงกลมอย่างต่ำก็คือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกศมีนาฬิกาก็คือเกศพยายามที่จะยืนเดินนั่งให้ให้เวลาเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเกศจะมองนาฬิกาเนี่ยยืนครึ่งชั่วโมงออนั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะ ในระหว่างที่สร้างจังหวะอยู่วันที่สามเนี่ยความคิดมันผุดขึ้นมาบอกในส่วนที่เรายังยังอ่อนและในส่วนที่เรายังเกินอยู่อันนี้ก็เป็นมันก็จะบอกเราว่าสิ่งที่เรายังยังขาดก็คือบางทีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรากําหนดไม่ทันเออ่ อย่างเก๋มองรูปเนี่ยเก๋รู้เลยว่าเก๋อ่อนก็คือมองรูปไปปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะสักแต่ว่าเห็นเรามองไปปุ๊บแล้วเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ในในในในรูปนั้นเลยซึ่งบางทีเนี่ยเป็นบางครั้งที่เก๋จะทันในสิ่งที่เก๋มองปุ๊บเก๋ทันทันก็คือตรงตัดตรงเนาะตรงนั้นเลยไม่มีอารมณ์ใดๆเข้ามาทั้งที่เราเห็นรูปนั้นแล้วแต่ว่าบางบางคราวเนี่ยมันจะไม่ทันพอมองไปปุ๊บก็จะมีอาการเหมือนกับว่า ไปไปไปลักไปชงังไปชอบแล้วก็มีตามมาด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมองเป็นปัญหาหนักของเกง่เหมือนกันแต่เรื่องการกินเนี่ยพอลิน้นพอกำหนดกินเข้าไปเนี่ยเกยกำหนดเป็นเป็ น, ปนคือเป็นประจํา